ปฏิบัติไม่ได้ผมอยากจะพูดว่าแก้ผ้าก็ปฏิบัติได้กรับธรรมะเนีย <c oughs> คือไม่มีสักชิ้นหนึ่งก็ได้มีเงินก็ได้ไม่มีสักบาทเดียวก็ปฏิบัติได้ครับรวยก็ได้จนก็ได้ตาบอดก็ปฏิบัติได้ครับนั้นไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องรูปแบบภายนอกแต่าการสวมเครื่องแบบก็เป็นวัตเตอร์ธรรมหนึ่งเป็นอุปเณนินยม ถามว่าบวชแล้วได้อะไรขึ้นมาบอกว่าประการแรกที่สุดคือคือคือเป็นบอบุญครับถ้าไม่มีเครื่องแบบสงหรือชีหรืออะไรนะครับก็ชาวบ้านไม่รู้จะทําบุญที่ไหนครับมารู้จะทำกับใครด้วยเพราะชาวบ้านนั้นเขาต้องการบุญกุศลดังนั้นผู้ที่บวชก็เป็นบอบุญคือที่ที่ชาวบ้านเวียนมหามาทําบุญเะจิตใจชาวบ้านก็จะเป็นกุศลขึ้นเมื่อได้เห็นพระสงฆ์นะครับ แต่เดิมนั้นผัวเมียทะเลาะกันพระมาเยี่ยมที่บ้านเงียบมีเกรงใจพระนั่นกุศลเกิดอริอรกรรมหนึ่งก็คือผู้ผู้บวชแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างหมดจดนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งว่าถ้าใครมาถามเทว่าทรู้ธรรมะได้อย่างไร <c oughs> ออกบวชเพราะอะไร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 ซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติธรรมะในเครื่องแบบในเพศฤาษีหให้บริสุทธิ์ดุจสังที่เขาขัดนั้นย่อมยากจึงตัดสินใจออกบวชต่อมาไม่ช้าเจริญธรรมนาเจริญจิตขึ้นพลิกคว่มพลิกหงายขันห้าแล้วอาชวะต่างๆสิ้นไปเสื่อมไปนี่คือผู้ที่ออกบวชและปฏิบัติอย่างถูกต้องเขาจะต้องตอบอย่างนี้พระเจ้าบอกงนั้นนะ ดังนั้นเราต้องรู้นะครับเมื่อเราเป็นเครือข่ายเราต้องปฏิบัติเข้มข้นยิ่งกว่าพระเพราะว่าการปฏิบัติในเครื่องแบบครือขนี้ย่อมยากครับเพราะมีเรื่องเยอะเช่นต้องทามาหากินต้องดูแลลูกเจ้าต้องสงเคราะห์ญาติต้อ ง, ง, าาองเกือ้อเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลแก่บุพการีสงเคราะห์ญาติลูกเมียญาติของญาติ เป็นพนักานก็มีตัวเองไม่ใช่เป็นเพียงลูกตัวแล้วมันต้องเป็นลูกเขยของอีครอบครัวหนึ่งด้วย้าไปแต่งงานเขานอกจากเป็นลูกของพ่อแม่ก็เป็นลูกสะพ้ยของอีตระกูลหนึ่งแล้วต้องสงเคราะห์ผู้คนยากครับแต่ว่าสิ่งที่ยากนะครับสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะชอบยากๆครับคือมันท้าทายดีก็ได้ผมเป็นคนชอบสิ่งยากๆในเรื่องยากๆแล้ว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 ก็เดินทางเข้าไปภายในซึ่งเป็นประมัดเถะพอเข้าไปถึงจิตถึงใจถึงชีวิตจิตใจนะั้นมันไม่เป็นชีวิตไม่ได้หอมเครื่องแบบครับใจนี่ไม่ไม่มีคําว่าหญิงหรือชายเราต้อพูดกันเองเท่านั้ น, นครับว่ า, วาโอ้ยนี่ใจหญิงนี่ใจชายจิตใจไม่มีเพศครับร่างกายนี่พอจะบอกได้ว่ามีนิมิตเป็นชายเป็นหญิงแต่เข้าไปสู่เวทนาไม่มีเพศนะครับ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 ตอนให้ภายในเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยอย่างพระเจ้าท่านเป็นพระเจ้าแล้วนะครับคนที่เคยรู้จักท่านก็ยังพ่อเนี่ยยังคิดว่าเป็นเจ้าชายศรีตถาอยู่แล้วก็พราหมณ์บางคนเนี่ยไปที่ริมน้ําวันนั้นพระเจ้าท่านนั่งแล้วท่านอากาศร้อนในดีอากาศร้อนมากเลยท่านเอาจีวรคลุมพระเสียรคลุมตลอดแล้วนั่งนั่งเล่นอยู่ริมน้ํพาพราหมณ์เข้าไปทําบุญครับเขาจะไปบวงสรวงเทวดาครับ เขเห็นแล้วไปเปิดจีวรของผู้เจ้าดูเห็นเป็นสมณะโล้นคือคนก้นหัวมันเลยถมน้าลายลดหัวผู้เจ้าเขาคือคนไม่รู้อะไรนี่ครับยังภาษาลิบุตรเดินไปนี่พวกพราวานั่งคุยกันบอกลองดูมันจริงไหมลองกันหน่อยวิ่งตามหลังเงื้อกําปั้นอัดอักเข้าไปภาษาลิบุตรทื่นเฉยถ้ารู้ด้วยเขาเขาจะเบียดเลียนท่านท่านก็เฉย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 เดินทางลึกเข้าไปยิ่งเข้าลึกเข้าไปยิ่งเข้าถึงถิ่นของปรามาัาสัจจะปรามาสัจธรรมนั้นเข้าไปทุกทีมันก็ละเลิกเพิกถอนสิ่งที่ยึดถือที่เรียกว่าอุปาทา น, นครับก็แจมแจ้งต่อปรมัาถะเมื่อข้างในแจ้งหันมาดูโลกสมมติมันก็แจ้ง เข้าใจไหมครับรู้ว่าสมมุติคืออะไรนี่เข้าใจดีเมื่อเข้าใจปรมาทิแต่ถ้าไม่เข้าใจปรมาทิพูดเรื่องพูดเรื่องปรมาทิอยู่แต่ไม่เข้าใจปรมาทินั่นเป็นสมมุติครับเข้าใจไหมเพราะยังอยู่ในในข่ายสมมุติดังนั้นผู้ที่ไม่รู้จักปรมาทิผู้เรื่องปรมาทิเป็นสมมุติหมดสิ้นครับแต่พเข้าไปข้างในแล้ว รู้ครับแยกออกว่าอะไรเป็นสมมติอะไรเป็นประมัิอย่างสีสมอนก็เป็นสมมติกำังง่วงด้วยตอนนี้ <laughs> แต่ง่วงเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมุติคือคือปรากฏจริงๆเลยเอาละเราก็ปฏิบัติกันวันนี้ทั้งวันนะครับเรามาตวงตัวให้ดีๆมาตวงให้ดีๆนะครับ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 เป็นเสมือนประทัดฐานที่สาคัญนะครับดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่อย่ามองข้างนอกมากนักเอาพอรู้พอผ่านเจอเพื่อนก็พอรู้พอเห็นทักถ่ายนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยพอให้ให้สังคมม น, มนุษยชาติเป็นไปได้สังคมภายนอก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 ไม่ต้องสนใจอาหารจะขาวจะหวานจะดีจะด้อยช่างมันนั่งลงชา้าช้ากินชา้าช้าอิ่มแล้วไปล้างภาชนะพอล้างเสร็จคว่าภาชนะอย่างรู้สึกตัวแล้วก็ออกมาหาที่หลีกเล้นเดินจงกรมของตัวเข้าใจไมครับไม่ต้องอิงสัญญาณละคังใดๆทั้งสิ้นแค่แตผมจะขออนุญาตพิเศษ กับอาจารย์อาจารย์นิสสุทให้นะครับหมาวแต่สัญญาณเขาก็ตีไปตามเดิมแต่บันนี้ทุกคนไม่เกี่ยวกับสัญญาณเลยเอาสัญญาณในตัวเองเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมใครใครไม่เข้าใจบ้างครับคือเอากิจวัตรประจําวันนั่นเองเป็นสัญญาณพอกินข้าวเสร็จออกมาเดินจงกรมทันทีไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยแล้วก็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 แล้วก็วันนี้ผมจะแนะนำเรื่องปฏิบัติขั้นอุกฤษด้วยครับคือนอกจากจริงจังต่อเนื่องแล้วอุกฤษด้วยอุกฤษนั้นหมายถึงว่าใช้อิริบททั้งสี่อย่างต่อติดไม่ว่างเวน้นผมจะทำให้ดูตัวอย่างนะครับยังดูให้ดีๆผมจะเริ่มต้นด้วยด้วยอิริบที่นก่อนสมุนไพรจีน เราจะเริ่มต้นเลยอบทการอ้บทหนันก็ได้ขึ้นไปทีนี้ก็เริ่มด้วยกาั้งใจฟังคุณผู้ใสัน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 เหตที่มีคําว่ารัตนะมีส้อยนามคําว่ารัตนะแปลว่าแก้วครับคนโบราณ น, นั้นจะเทียบสิ่งใดที่มีราคาสูงสุดก็จะเทียบด้วยแก้วมณีหรือรัตนะดัะนั้นพุทธรัตนะทำรัตนะสั่งรัตนะถูกระบุ ข, ขึ้นเมื่อเราปฏิบัติทำแล้วจึงจะรู้ซึ้งครับว่าพระพุทธเจ้านนั้เป็นแก้วจริงๆเป็นแก้วมณี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 ก็เลยเป็นเพื่อนจริงๆของเราพระธนาตจัยปรากฏขึ้นที่ใดนะครับโลก ก, ก็เจริญขึ้นดีขึ้นสาบใดที่มนุษย์ยังไม่ทิ้งพระันาตจัยไม่ห่างไกลพระันาตจัยในสังคมและปัจเจกก็จะประสบความสุขเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงจ จึงดีพระธรรมจึงดีและวระสงฆ์จึงดีอย่างสมมติเราเห็นพระเจ้าถ้าสมมติท่านเห็นแก่ตัวท่าทางโฉงเฉงคุยโวโอโอดเราคงไม่พูดว่าพระเจ้าดีใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องเห็นท่านเป็นคนที่ยือกเย็นสุขุมรบอบคอบสงบสงัดไม่บุนยวายดังนั้นเราจึงว่าพระพุทธเจ้าดี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 ความสำคัญของพระสงฆ์คือก็อคือกลุ่มท่านผู้ปฏิบัติสละความเห็นแก่ตัวสละทิฐิมานะสละความเย่อหยิงจองห้องฟองคนดังนั้นพระสงฆ์จึงสำคัญเพราะตัวอย่างมนุษย์่นี้หาได้ยากนกครับดังนั้นสังคมใดมีบุคคลที่กินน้อยใช้น้อยไม่เยออหยิงเยโสสุภาพสงบระงับเช่นนี้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 จะมองตามที่เป็นจริงนะครับพ ร, ระสงฆ์มักจะสำคัญตนผิดเพราะอะไรเพราะออกบวชปับก็มีญาติโยมกลา่าวไหว้นับถือทันทีก็เลยลืมตัวครับพ่าเป็นสมคุณเป็นสมเด็จเจ้าคุณเป็นสมเด็จกันหน่อยขี้โมโหเก่งขึ้นวางอำนาจใหญ่ขึ้นดังนั้นท้าบรันสงฆ์จึงหมดสิ้นความสำคัญลงทีละน้อยทีละน้อย ตัวอย่างเห็นได้จากเด็กรุ่นหลังเข้าไปเล่นด้วยครับตรามองในแง่ความจริงนะธรรมนสงฆ์ผมคิดว่าล่มแล้วเดี๋ยวนี้พรเด็กรุ่นหลังเข้าไปเล่นด้วยเขาสืกอว่าพระสงฆ์วางท่าเกินไปท่านท่องชี้เห็นว่าพระพุทธกด็ดีพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีนะครับเป็นดังดวงแก้วคำว่าแก้วในสมัยโบราณไม่ได้หมายเพียงแต่ ว, ว่าเอาไปขาย เป็นเงินเป็นทองนะครับหมายถึงสิ่งที่ส่องสว่างด้วยดวงแก้วในหมาดเป็สิ่งที่โชดช่วงเหมือนกับเรามีไฟฟ้านะครับมันทำให้วัดนี้ก็สว่างไม่มืดตราบใดที่พระตะไตร้ยังมีความสําคัญอยู่ชุมชนนั้นก็จะมีแสงสว่างบุคคลผู้ถือพระธตะไคร้เป็นที่พึ่งก็เหมือนบุคคลถือครบอยู่ในมือเดินมาในที่มืดได้ยอย่างด้วยความมั่นใจครับ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 ้ที่จ้อนมาดูที่ตัวเราเมื่อใดเราสำคัญตนผิดไปเมื่อนั้นเราก็จะตกไปจากความทรงจำของเพื่อนๆด้วยครับที่เคยดีกันบัด น, นี้คิดว่ากูได้ดีแล้วมีเงินมากกว่าแกวางท่าวางทางกับเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกไม่อยากจะคบด้วยสรุปใจความย่อยๆว่าความสลักสาคัญของ พระเตอร์ไตรนะครับพระพุทธก็ดีพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีอยู่ตรงที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ไม่ได้รู้สึกกับตัวเองสําคัญอะไรกว่าเส้นญ้าหรือไม้ผุผุส่วนพระธรรมนั้นสอนเรื่องความว่างอยู่แล้วครับจากตัวตนพระศาสนาธรรมนั้นพระธรรมที่พระเจ้าสอนก็สอนในเรื่องของความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นสิ่งดัดด้ ไม่ได้เด่นไม่ได้ด้อยอะไรไม่ได้วิเศษหรือไม่ได้มีค่าอะไรตามทางโลกสมมติดังนั้นพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เข้าถึงพระธรรมที่เป็นดาดดาษธรรมดาท่านก็ถึงถึงความดาษพระสงฆ์ก็เข้าถึงถึงความดาษยิ่งมีกลุ่มบุคคลนะครับเข้าถึงลักษณะธรรมชาติธรรมดามากเพียงใด สังคมนั้นก็มีหลักประกันที่แน่นอ น, นครับแต่เมื่อใดก็ตามพระสงฆ์สำคัญตนผิด ค, คิดถึงตัวเองสำคัญมากๆยิ่งยโสโอหังคิดว่าตัวเองสูงส่งเมื่อ น, นั้นก็จะสิ้นความสำคัญไปทันทีเข้าใจได้ใช่ไหมครับมไม่เข้าใจได้แล้วนะครับเราจงปฏิบัติธรรมะด้วยจิตใ จ, จซึ่งท่อม คือน้อมนําธรรมะเข้ามาะะแล้วก็ก็ปฏิบัติตามเยี่ยงผู้ที่เป็นทาตติดตามนายด้วยความพักดีแบบที่เราสวดมนต์อนะครับพระเจ้าเป็นทาตุข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนะีแม้พระสงฆ์ก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับต้องคิดอย่างนั้นว่าเราไม่ได้วิเศษอะไรกว่าใครเราเป็นเพียงเหมือนเส้นญ้าไม้ผุดังนั้น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 และส่วนใยญ่เเสียมากกว่าเพราะสิ่งใดที่เป็นแบบแผนที่ดีที่ลงตัวที่เป็นประโยชน์สุขของส่วนตัวและส่วนรวมโดยเฉพาะส่วนรวมด้วยแล้วผมคิด่อสิ่งนั้นเราไม่เห็นจะต้องไม่เห็นจะต้องต้านทานอะไรตรงข้ามเมื่อเราได้ยินข่าวว่ามีกลุ่มไหนที่เขาทาสิ่งดีเราควรอนุมโมทนานครับเช่นได้ยินข่าวกลุ่ม green ี e พี e ต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อมเราควรชื่นใจพระดินนะครับหรือนาราจะยินองค์กรไหนที่กำลังอนุรักษ์สัตว์ป่าเรามีเงินบาทสองบาทเราจะส่งไปเพื่อสมทบเราไม่ควรจะดูดายนะครับเดี๋ยวนี้ทางนาคารอบรอบตัวเนี่ยกำลังเลวร้วายลงทุกทีวาสมุดแปซิฟิกตอนเหนือกำลังจะเน่าครับเพราะผงซักฟอกไม่ละลายฟองผงซักฟอกเกาะกันเป็นภูเขาเลากาเลย ก็ป่าถูกทำลายเป็นแสนแส น, แสนไร่โดยเฉพาะที่จังหวัดน่านของเราแม่น้ำภูเขาถูกทลาย่าบลงแล้วก็มีมนุษย์ที่มีสำนึกดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อเราได้รับข่าวเราควรจะนึกดีใจและเราก็ช่วยเหลือในพุทธศาสนานั้นการทําบุญก็ย่อมได้บุญ การเพียงอนุโมทนาการทำบุญก็ย่อมเป็นบุญคือเราไม่ได้ทำแต่เราเห็นด้วยเข้าใจไหมครับร่วมด้วยเอาใจช่ว ย, วยนั่นก็คือบุญเหมือนกันแต่เราต้องทำด้วยจิตใจที่ถ่อมและสุภาพนะครับถาแมองพ่อแม่เราพูดมติตดมติหนึ่งที่ดูค่อนข้างร้าเหตุผลซึ่งเราจำเป็นจะต้องค้าน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 ไม่ใช่เราต้องต่อสู้กับศัตรูเท่านั้นเพราะศัตรูมีมหลายชั้นศัตรูข้างนอกและศัตรูภายในดัง น, นั้นบางทีเราต้องฟาดฟนนันกับเพื่อนที่เรารักมากไม่ใช่ฟันก็ได้มีดด้วขวานครับก็ด้วยเหตุผลแต่ว่าน้ำหนักที่สูงสุดนั้นคือความถมคนที่ถมที่สุดจะมีน้ำหนักที่สุดแต่ว่าคนที่โอหังนั้นเปราะมากมากครับ เม่ชาไมนานก็แม้จะมีเหตุผลแหลมคมจะเพื่อนไม่ฟังเพราะา ม, มันดูแล้วไม่น่าฟังไม่ชวนฟังถ้าพระสงฆ์ที่พูดเก่งนะครับมีโบหานแต่ว่าดูแล้วโอหังนะครับเพราะว่าไม่งามประชาชนย่อมไม่เลื่มใสประชาชนย่อมเลื่มใสพระสงฆ์ซึ่งเฉยเงียบแล้วกระุณาพูดน้อยแต่จริงใจสิ่งนี้เรารู้กันดี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 คือเราเริ่มเห็นตัวเองขี้โม่พอเห็นอย่างนี้นานๆมันเบื่อครับมันเบื่อเหมือนเราเบื่อขี้หน้าเพื่อนเนี่ยที่มันชอบคุยโวเลยเราไม่อยากฟังอลหนีพราสติค่อยๆเต็มเข้าต่อเนื่องกันเข้าเนี่ยมันจะค่อยๆละนิสัยนั้นได้ครับซึ่งเราไม่ชอบอยู่แล้วจริงๆนในที่ประชุมนี้ใครชอบกิเลสมั้งครับผมเชื่อไม่มีแต่ว่าใครรู้จักกิเลส ถูกต้องและถี่ถ้วนบ้างไม่แน่นอนครับทั้งๆเราไม่ชอบแต่เราไม่รู้จักมันบานทีมันมาในรูปขงเหตุผลแต่เหตุผลนั้นเนื่องจากเราลิษยาคนโน้นเราจึงมีเหตุผลเป็นร้อยๆที่จะด่ามันจริงๆมูลเหตุของมันคือเราลิษยาเขาดังนั้นเราต้องรู้จักเราลากฐานที่หนักแน่นที่สุดในการเรียนรู้ตัวเองนะครับ ก็คือความถมแต่ถ้าคุณแกล้งทอมนั่นคือการขี้คุยครับแล้วทามันคนสุภาพมากๆนั่นคือมันคุยโตโอ้ออะไรบางสิ่งเข้าใจไหมครับ <S <S ใช่บางคนบอกว่าโอ้ผมเป็นคนจริงใจนะผมเป็นคนไม่ต้องการอะไรมากแสดงเขายังต้องการอย่างมากๆเลยพอแต่เขาไม่ต้องการเขาจะไม่พูดเลย ดันั้นความถ่อมนี้ต้องมาจากหัวใจนะครับหัวใจสงบเงียบแล้วก็ไม่ลวงล่อใครด้วยเล่กลอุบายไม่ยวนสเสน่ห์ใครไม่ล่อหลอกด้วยคำพูดที่ชวนชวนฟังหรือยวนสเสน่ห์เขาไม่ต้องใช้จลิตจก้านมายาเพื่อล่อหลอกดึงดูดผู้อื่นใช้ความจริงใจประการเดียว ผมคิดวความจริงใจเนี่ยเป็นทั้งความถ่อมและเป็นทั้งสเสน่ห์ที่แท้จริงเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องเติมยอดต่อหางเครื่องให้มันยิ่งเติมมากยิ่งยิ ง, ยงผมคิดวาดูน่าเกลียดด้วยซ้ำนถ้าคนที่มีสติ ด, ดีจะไม่ชอบครับคนมีสติดีขึ้นดีขึ้นจะไม่ชอบสะบัดสำนวนโวหารอะไรที่มันเหมือนกับหางเครื่องเวลาขอลองเพลงอะมันน่าลาคาญมากกว่าที่ที่ซีน่าฟัง ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าความสัตด์เป็นรสแห่งอมตะความสัตด์จริงมีรสที่ไม่ตายคือได้ยินที่ไหนมันชุ่มใจที่นั้นครับแต่ว่าถ้าสิ่งไม่จริงนะมันเติมหางเติมขนข้าวมันดูรุงรังพิกลดังนั้นเมื่อเราสัเสรินคุณพระทศตรัยครับเมื่อขนาที่ เปล่งคําอุทานว่าใจนั้นนั่นหมายถึงเราถ่มเข้ามาในหัวใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ไม่มีมา n ะทิฏฐิพระสงฆ์เป็นผู้ที่ไม่สําคัญตนเพียงเส้นญ้าและดังนั้นความสุขที่แท้และลึกซึ้งเกิดจากการสิ้นอัตมิมานะคือไม่มีตัวตนไม่มีความสําคัญตนอะไรอัตมิ mana ศร วินยโยเอตังเวประมังสุ ข, ขังนันว่าไงเงี้ยเมื่อเพิกถอนอัสมิ ม, มานะเสียได้ย่อมเป็นสุขที่สุดเป็นบรมสุขนะครประมังสุ ข, ขังเมื่อคืนผมพูดเรื่องสุขเกิดแต่สามะคีของหมูนั่นเั็นเพียงบรรยากาศเท่านั้นเหมือนเราร้อนๆมาเข้าไปนั่งในห้องแอร์คอนดิชันรู้สึกเย็นดีแต่นั่งนานลำคาญเหมือนกันคือบรรยากาศเป็นสุข เช่นวัดวารมหนึ่งนีพระสงค์หรือหาดุบาสกุบาสิกาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเราก็พลอยเป็นสุข